แล้วก็ชีวิตเนื่องด้วยวิญญาณนนถ้าจิตไม่เกิดนะ น, นะสมมติจุติจิตเกิดขึ้นแล้วจิตอื่นๆไม่เกิดอีกต่อไปเลยในขั น, นนี้นะก็ตายอีกแล้วพันกล่าวโดยสรุปก็คือชีวิตหนึ่งด้วยลมหายใจเข้าสองเนื่องลมหายใจออกสเนื่องด้วยทั้งลมหายใจเข้าและลมหายใจออก4ก็เนื่องด้วยมหาปูตรูป4สหเนื่องด้วยไออุ่นคือเตโชธาที่เกิดจากกรรมแล้วก็หเนื่องด้วยอาหารเจก็เนื่องด้วยจิตหรือวิญญาณ กรัชกายอันเป็นที่ตั้งแห่งลมหายใจเข้าหายใจออกก็ดีนะตัวร่างกายนะมันเป็นเหตุแห่งลมหายใจเข้าออกอะไรบ้างอ่ะก็คือกระบังลมเนี่ยนะกระบังลมกล้ามเนื้อที่ยึดซี่โครงเนี่ยนะไอะ้กล้ามเนื้อเหล่านั้นเนี่ยมีผลช่วยให้หายใจถ้าหากว่าคนเนี่ยกระดูกซี่โครงหักหมดเลยเนี่ยนะหายใจได้ไหมไม่ได้ยแย่นะกระบางลมรั่วอย่างเงี้ยนะหายใจได้ไหมไม่ได้อยู่แล้ว ถ้าหรือปอดเสียหายไปเนี่ยนะปอดเน่าหมดเลยอย่างเงี้ยนะก็แย่ท่านหรือไอช่องเดินของลมหายใจเนี่ยตีบตันหมดก็หมายถึงว่าไม่เหลือแล้วท่านกระดูกกายคือร่างกายอันเนี้ยเป็นที่ตั้งแห่งลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าเสียหายไปก็หมายถึงว่าชีวิตนี้ก็แตกทำลายมันตัวปัจจัยแห่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันยังไม่เที่ยงเลยนะ แล้วอวิชาสังขารตันหาอุปาทานและพบอันเป็นเหตุเดิมของมหาภูตรูปสี่เนี่ยนะที่เป็นต้นแห่งลมต้นเหตุแห่งลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะตัวอวิชาตันหาสังขารกรรมอุปาทานพบเนี่ยต้นเหตุที่เป็นปัจจัยแก่ชีวิตเหล่านียถามว่ายังอยู่ไหมทุกวันไม่อยู่แล้วนะตัวปัจจัยก็ยังแตกทําลายไปแล้วนะ พูดแบบเห็นชัดเลยก็คือปูขอป่ของปูขงป่ของปู่ของปู่ก็ตายไปหมดแล้วย่าของย่าของย่าของย่าก็ตายไปหมดแล้วเนี่ยนะบนรรพบรุษสายไหนก็ตายไปหมดแล้วและลูกหลานที่มีอยู่มันจะมันจะสักเท่าไหร่เชียรใช่ไหมก็มันอาศัยบรรพบุรุษที่ตายเป็นเกิดขึ้นนะแล้วลูกหลานที่เกิดขึ้นจะไม่ตายได้ยังไงตัวปัจจัยคือวิชาสังขารตันหาอุปาทานและกรรมภพเนี่ยพวกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงอะ่ะเพราะท่านมหาภูตรูป ลมหายใจเข้าออกที่เกิดจากสิ่งเหล่านั้นเป็นปัจจัยอ่ะจะมีความเที่ยงมาจากไห น, นตัวปั Eco วปจจัยก็ไม่เที่ยงตัญหาที่เป็นแดนเกิดนะตัญหาก่อนที่เป็นปัจจัยสร้างขันเหล่านี้นก็ไม่เที่ยงรูปธรรมและอรูปธรรมที่เกิดร่วมกันเนี่ยนะที่อาศัยการเกิดขึ้นรูปธรรมและอรูปธรรมเหล่านั้นก็ไม่เที่ยง อ, ร, อรูปอรูปธรรมนะคือนามธรรมที่สัมปยุตกันก็ไม่เที่ยง ขันที่เกิดรู้พร่วมกันเกิดพร้อมกันแห่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกขันที่สัมพันธ์อยู่ในร่างกายเนี่ยก็ไม่เที่ยงตันหาที่ประกอบกันก็ไม่เที่ยงเลยนะทุกอย่างมีกําลังสามคือมันตั้งอยู่ได้ชั่วขณะหนึ่งนะทุกอย่างทุระพลทั้งนั้นเหนือมันธรรมะเหล่านี้มีกําลังสามเป็นนิสต่อกันและกันไม่ได้ตั้งมั่นต่อกันและกัน ย่อมยังก <you> ันและกันให้ตกไปเหมือนกับว่าเอาต้นกล้วยเนี่ยมาสร้างบ้านนะนะเอาต้นกล้วยมาทำเสาเอาทําต้นกล้วยมาทําพื้นเอาต้นกล้วยมาทำฟ้าเอาต้นกล้วยมาทําหลังคานะแต่ละอย่างก็ของผุของผุของผุทั้งนั้นเลยนะแล้วสร้างหลังเนี่ยจะอยู่ได้นานไหมอยู่ไม่นานกายนี้ก็เหมือนกันชีวิตนี้ก็เหมือนกันเพราะปัจจัยเองก็เป็นของผุพังอันผลของปัจจัยก็เป็นของผุพังอ่ะนะแต่ละอย่างก็ไม่ได้มีความยั่งยืน ก็ยังกันและกันให้ตกให้แตกให้ทำลายไปเพราะความต้านทานไม่ได้มีแกกันและกันมันพยุงกันไม่ได้หรอกธรรมะเหล่านี้จึงไม่ดำรงกันและกันเอาไว้ธรรมะเหล่าใดให้ธรรมะเหล่านั้นเกิดแล้วธรรมะเหล่านั้นก็ไม่ได้มีคือตัวปัจจัยก็ไม่ไม่ไม่เหลือแล้ว่านั้นก็แต่ธรรมะอย่างหนึ่งไม่ได้เสื่อมเพราะธรรมะอย่างหนึ่ง ก็ขันเหล่านี้แตกไปเสื่อมไปโดยอาการทั้งปวงขันเหล่านี้อันเหตุปัจจัยมีในก่อนเนี่ยให้เกิดแล้วอาศัยปัจจัยในก่อนเนี่ยสร้างมันขึ้นแม่เหตุปัจจัยอันเกิดก่อนเหล่าใดแม่เหตุปัจจัยเหล่านั้นก็ดับไปแล้วในก่อนะคือตานี่ไม่เที่ยงปัจจัยที่ทำให้มีตาก็ไม่เที่ยงแล้วตาที่เกิดจากปัจจัยที่ไม่เที่ยงจะเที่ยงมาจากไหนหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เที่ยง ปัจจัยที่ทำให้เกิดหูจมูกเลนกายใจก็ไม่เที่ยงแล้วตาหูจมูกเลนกายใจที่เกิดจากปัจจัยที่ไม่เที่ยงจะเที่ยงมาจากไหนเนี่ยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เที่ยงแล้วอะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเที่ยงมาจากไหนเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะทั้งปัจจัยก็ไม่เที่ยงนั้นผลของปัจจัยก็ไม่เที่ยง มันขันที่เกิดก่อนก็ดีขันที่เกิดในภายหลังก็ดีไม่ได้เห็นกันและกันในการไหนไหนเห็นไหมจิตดวงก่อนเนี่ยนะที่ดับไปเนี่ยเห็นจิตดวงหลังไหมไม่เห็นเนี่ยนะต่างฝ่ายก็ต่างไม่เห็นซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นชีวิตนี้จึงชื่อว่าเป็นของน้อยเพราะมีกิจน้อยอย่างนี้คือตัวเขาเองเนี่ยดำรงอยู่ก็น้อยปัจจัยของเขาก็น้อยอันเท่าที่กล่าวก็คือสิ่งเหล่าเนี้ย ชีวิตเนี่ยมันไม่เที่ยงแม่ปัจจัยแห่งชีวิตก็ไม่มีความเที่ยงภายในฉันใดภายนอกก็ฉันนั้นเนี่ยนะอดีตฉันใดอนาคตก็ฉันนั้นปัจจุบันฉันใดก็ไม่ต่างอะไรจากอดีตกับอนาคตเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนกันทั้งปัจจัยทั้งผลแห่งปัจจัยก็ไม่เที่ยง อันหนึ่งเพราะเทียบชีวิตของพวกเทวดาชั้นจาตุมมหาราชชีวิตของพวกมนุษย์ก็น้อยคือเล็กน้อยนิดหน่อยเป็นไปชั่วระยะเป็นไปพลันเป็นไปชั่วการเดียวเดียวตั้งอยู่อตั้งอยู่ไม่ช้าดำรงอยู่ไม่นานนี่นะแป๊บเดียวจริงๆเลยนะถ้าเทียบกับจาตุมเนี่ยนะเขาอายุเก้าล้านปีของเรากี่ปีอะน้อยเดียวนะไม่ได้หนึ่งเปอร์เซนต์ของเขาเลยอะนี่นะถ้าอะไรนะ ศู 000, 000, um, นยนเปอร์ซนะมั <rescue. S 1> ้งโหน้อยมากเลยนะอายุน oh, ิมถ้าเทียบกับดาววดึงเนี่ยชั้นชั้นดาววดึงอ่ะสาิบล้านปีเนี่ยของเราเนี่ยอุ้ยไม่ถึงวันของเขาเลยตอนเนี้ถ้าเทียบกับยามานี่ไม่กี่ชั่วโมงของเขาอ่ะนะหรือถ้าเทียบกับชั้นดูสิตธเนี่ยดูสิทธ์นี่หลายร้อยล้านปีเนี่ยนะชีวิตของเราเนี่ยแป๊บเดียวหรือชีวิตของนิมมารณีปรานิมิตตาวสบัดดีเนี่ยนะชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยน้อยมากวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาอ่ะพันหกร้อยป พันหกร้อยปีของเราแล้วของเขาเนี่ยพันหกร้อยปีทิพย์เนี่ยนะแล้วของเราเนี่ยมันแป๊บเดียวนะถ้าเป็นอย่างถ้าเทียบกับสมัยพุทธกาลกับตอนเนี้นะเขายังเสียใจไม่หายเลยนะพระพุทธเจ้าดับขันปรินิพานเขายังไม่เลิกเสียใจเลยเพราะพระพุทธเจ้าเพิ่งปรินิพานได้ไม่กี่ชั่วโมงนี่เองนะแต่ของเราเนี่ยอุยนานมากนะอ๊ย้ยตั้งสองพันกว่าปีมาแล้วของเขาไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงหรอก ถ้าเทียบกับหมู่พรหมเนี่ยนะพรหมเนี่ยถึงมีอายุเป็นกับกับได้ไหมมหาพรหมก็มีอายุหนึ่งมหากับเนี่ยนะพรหมชั้นสูงสูก็มีอายุหลายกับจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนามีอายุแปดหม่นสี่พันกับถ้าเทียบกับเราและอายุของเราเนี่ยนะยน้อยมากเลยนะน้อยจริงๆนิดหน่อยปัญชีวิตของมนุษย์เนี่ยน้อยเล็กน้อยนิดหน่อยเป็นไปชั่วขณะเป็นไปพลันเป็นไปชั่วการเดียวเดียวตั้งอยู่ไม่ช้าดำรงอยู่ไม่นาน จะเชื่อไหมทำตัวเหมือนว่าจะดํารงอยู่เป็นกลับๆงั้นนะ่ะท ำ, ำทำชใช้ชีวิตเหมือนกับว่าตายไม่เป็นใช้ชีวิตเหมือนกับไม่รู้จักตายอย่างนั้นนะ่ะ ไ, ไม่ตายนะ <c oughs> อีกนานคนที่ตายมันคนอื่นดังนั้นไม่ใช่เราใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่เราเรายังอยู่อีกน้อเนี่ยนะเรานี่เที่ยงเสมอเนี่ยนะยั่งยืนแต่ว่ากระดูกมันผุไปเรื่อยฟันก็กร่อนผิวก็เหี่ยวเนี่ยนะแต่ว่าวอีกน้อเนี่ยนะ จะให้อยู่สักพันเตียเอาไหมล่ะเงี้ย น, น, นะใสก่รกระโลงกระเพกเต็มทีแล้วนะจะเลือกอกี่ชิ้นก็ไม่รู้นะถ้าพันเตียคุณมช้ชมกระร่องกระแร่งเต็มทีแล้วนะสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายอายุของพวกมนุษย์เนี่ยน้อยจำต้องละไปสู่ปรโลกมนุษย์ทั้งหลายจำต้องประสบความตายตามที่รู้กันอยู่แล้วเพรา ะ, ะนั้นควรทํากุศลนะทั้งทานศีลภาวนา ควรประพฤติพรหมจรรย์คือศีลสมาธิปัญญาเพราะว่าไม่มีมนุษย์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีไม่มีหรอคนที่เกิดมาแล้วไม่ตายดูกรที่สุดทั้งหลายผู้ใดอยู่นานผู้นั้นก็เป็นอยู่ได้เพียงร้อยปีหรือที่เกินกว่าร้อยปีก็มีน้อยเนี่ยนะร้อยปีเนี่ยนะโอ้ยเมื่อไรจะได้ฟังข่าวว่าคนอายุร้อยหนึ่งปีตายสักทีหนึ่งนะเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยนะ แต่ว่าเราอ่อนทั้งหลายเด็กไม่น้อยอายุไม่เท่าไรเนี่ยนะไอ้ที่ได้ยินว่าถูกคัาแท้งตายเนี่ยอันนี้ได้ยินบ่อยใช่ไหมตายก็อยู่ในคันมาเรื่อยเรื่ยเรืยเร ย, เรยเนี่ยนะอันนี้ได้ยินบ่อยพระผู้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุขโขศาสดาคั้นตรัตวยากรณภาสิทนี้จบลงแล้วได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าอายุของพวกมนุษย์เนี่ยน้อยบุรุษผู้ไข้ความดีพึงดูหมิน่นอายุที่น้อยนี้ พึงรีบประพฤติให้เหมือนคนถูกไฟไหม้บนศรีรษะฉะนั้นเพราะความตายจะไม่มาถึงมิไหนมีวันคืนย่อมล่วงเลยไปชีวิตก็ย่อมกระชั้นเข้าไปสู่ความตายอายุของศาต์ทั้งหลายย่อมสิน้นไปเหมือนแม่น้ำในแม่น้ำน้อยย่อมสิ้นไปฉะนั้นชีวิตมันค่อยๆเหือดแห้งไปแห้งตายก็คิดดูนะแผ่นดินใหญ่ๆภูเขายังระเบิดใช่ไหม ได้ปทัทวีธาตุภายในจะไปยั่งยืนได้อย่างไงธาตุน้ำหนำ้าน้ําท่วมบ้านท่วมเมืองจนอีกพักหนึ่งหน้านี้จะหาน้ําอาบอยังยากเลยนะได้น้ําเลือดน้ําเหลืองน้ำหนองในร่างกายเนี่ยจะอยู่ได้สักเท่าไหร่นะน่ปะปัทวีธาตุเนี่ยมันเผาบ้านเผาเมืองเผาป่าเผาอะไรเนี่ยนะเผาของใหญ่ใหญ่มันยังดับลและเตโชธาตุไออุ่นในร่างกายจะเหลือสักเท่าไหร่ลมพัดบ้านพัดเมืองลมพายุทั้งหลายแลนะ่นี่น่ะ ลมนั้นอ่ะพออีกช่วงหนึ่งนิ่งเลยนะแลไอ้ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมหายใจเข้าออกในร่างกายเนี่ยมันจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่เพราะฉะ น, นชีวิตเนี่ยมันมีแต่ไล่ไปสู่ความตายอย่างเดียวเพราะฉนชีวิตเนี่ยจึงน้อยคําว่ามนุษย์เนี่ยย่อมตายภายในร้อยปีความว่าไอ้คาว่าตายภายในร้อยปีเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนตายอายุร้อยปีใช่ไหมไม่ได้แปลว่าอย่างนั้น เพราะว่ามนุษย์เนี่ยย่อมเคลื่อนย่อมตายหายไปสลายไปในการที่เป็นกลละบังแปลว่าตายตั้งแต่สมนวนว่านาทีแรกที่เกิดก็มีสิทธ์ตายแล้วนะสนาทีอันตายตั้งแต่สนาที3นาทีสนาที1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็มีสิทธ์ตายได้หมด3ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงมีสิทธ์ตายตั้งแงงงงงงต่1วันเกิดมา1วันตายเกิดมา2วันตายไ อ, อ้คำว่าเกิดเนี่ยคือปฏิสนธิอยู่ในท้องนะบางคนมีสิทธิ์อยู่ในท้องสองชั่วโมงตาย บางคนสาชั่วโมงตายบางคนหนึ e ่งวันตายสองวันตายสาวันตายสี่วันตายบางคนเนี่ยม <te> ีอายุหนึ่งอาทิตย์ตายบางพวกมีอายุสองอาทิตย์คือเป็นเหมือนช่วงน้ำล้างเนื้อก็ตายนะสองอาทิตย์ก็ตายแล้วบางพวกก็ตายในช่วงที่เป็นชิ้นเนื้อก็ประมาณสอาทิตย์ตายนะก็คือช่วงสมอาทิตย์บางพวกก็ตายในช่วงที่เป็นก้อนเนื้อนนะก็คือประมาณอาทิตย์ที่4นี่ก็ตายบางคนเนี่ยการที่เริ่ม แตกปุ่มออกมาแล้วนะคล้ายๆกับพวกลูกนะอ่ะมาน้ําอ่ะก็ค่อยแตกปุ่มเป็นปุ่มหัวปุ่มหางปุ่มอะไรเนี่ยนะเพราะแตกมันไหนก็ตายแล้วนะหรือบางพวกก็เกิดแต่พอโตขึ้นมาหน่อยนะหลังจากนั้นตายได้ตลอดเลยนะสองเดือนก็ตายสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนก็ตายบางคนก็พอเกิดก็ย่อมตายเคลื่อนหายสไลด์ไปก็มีนนก็คือขณะที่คลอดเนี่ยก็ตายขณะนั้นเลย บางพวกก็ตายในเรือนคลอดมายังไม่ยกออกจากที่ตรงนั้นก็ตายอันนี้เขมามีน้องคนนึงน้องชายนั่นนี่มันตายเอ่อก่อนน้องสาวเนี่ย ม, มีผู้ชายให้ค น, นตายตั้งแต่อยู่ในคลอดมาแป๊บเตียวมันก็ตายแล้วนั่นนีย่ยังไปจับแขนมันเล่นเลยตัวนี้เดี๋ยวแต่ว่าตัวมันถ้าเป็นมันอยู่ก็โครงโครงสร้างใหญ่แต่ว่าตายไปแล้วนั่นนี่ เกิดมาได้ไม่กี่ชั่วโมงคลอดมายังก็่ร่ยังไม่พ้นเรือนคลอดตายแล้วก็เลยเอาไปฝังไว้ที่ป่าช้าเนี่ยนะยังจําได้เลยนะบางคนที่ก็มีสิทธ์ตายตั้งแต่นั่นแหะอยู่ในเรือนคลอดนั่นแหละหรือบางคนก็เคลื่อนหายตายสลายไปมีชีวิตครึ่งเดือนก็มีบางพวกก็หนึ่งเดือนบางพวกก็สอเดือน3มเดือน4ี่เดือนหเดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เดือน10เดือนเนี่ยมีสิทธ์ตายมาะหละสรุปว่ามีตายทุกช่วงทุกเดือนเหมือนกัน แล้วก็บางพวกก็มีอายุหนึ่งปีตายก็มีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดปีแปดปีเก้าปีสิบปีตายก็มีบางพวกก็ตายในช่วงสิบปียี่สิบปีบางพวกก็สามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบปีแต่อาจารย์ก็สอนมีบุญนะโหหกสิบปีผ่านมาได้แล้วนะันแมแน่เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแต่ว่าภายในร้อยปีนะเอาไห้ร้อยเลยให้ร้อยนะอีกตั้งสาสิบปีนะโอ้โหแย่เลยนะ แต่บันน้ากินนะนะเกลือน้ำลายก็แทบไม่ลงไม่มีแรงไม่ก็นั่งจะเกลือน้ําลายนะถ้ขนาดนั้นแล้วเกิดมาแล้วที่เหลือไม่ใจะได้แล้วกำไรอย่างเดีย ว, วก็เนี้ยไม่ภายในร้อยปีนี่แหละแต่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่แรกปฏิสนธินะหลังจากปฏิสนธิอะช่วงนั้นมาที่เหลือมีสิทธิ์ตายได้ตลอดเวลาพภายในร้อยปีนี่แหละคําว่าแม้หากว่ามนุษย์ใดย่อมเป็นอยู่เกินไป มีความว่ามนุษย์ใดเป็นอยู่เกินร้อยปีมนุษย์นั้นเป็นอยู่อาจจะ1ปีก็ได้นะร้อยหนึ่งปีร้อยสองปีร้อยสาปีร้อยสปีร้อยหปีอ่ะนะอย่างร้อยหนึ่งปีก็เนี่ยญาเจา้าเจ้าฟ้าชายชานี่ยนะที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเพิ่งไม่นานเนี่ยหนึ่งรงปีเนี่ยนะแต่ก็คนที่เหลือก็ไม่เท่าไหร่อ่ะนะแต่ก็มีอย่างพระ น, น, นุรุธเป็นต้นเนี่ยนะส่วนพระพากุลนี่ก็ร้อยหกสปีอ่ะ ก็มีอายุยืนยืนกันแก่เกินก็เกินกันไม่เท่าไหร่นะฉะนันไม่ตายภายในร้อยปีก็เกินร้อยปีก็นิดหน่อยคำว่ามนุษย์ผู้นั้นย่อมตายเพราะชราโดยแท้แลความว่าเมื่อมนุษย์ใดเป็นคนแก่เจริญวัยเป็นผู้ใหญ่โดยกําเนิดล่วงการผ่านวัยมีฟันหักผมงอกผมบางศีารษะล้านหนังหย่อนตัวตกกระคด ข่อมถือไม้เท้าไปข้างหน้าเมื่อนั้นมนุษย์นั้นย่อมเคลื่อนย่อมตายหายสลายไปเพราะชราการพ้นจากความตายไม่มีนี่ไนะก่อนจะปิดเรียนโยมคนลาเลยนะก็ปิดตั้งนานเดี๋ยวเผื่อจะได้ไม่เจอกันคำว่างั้นลาไว้ให้เบ็ดเสร็จเลยน ะ, อ, ะ อ, อันทุกเทอมเนี่ยปิดตายหมดนะไม่รู้ว่าเทอมนี้กลับไปเนี่ยนะใครจะ เรียบร้อยไปแล้วบังก็ไม่รู้เพราะปิดเทอมเสร็จไม่ท่ามีสิทธิ์ไม่ได้เจอหน้าอีกตั้งอ